จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ห้าเมษายนพุทธศักราชสอง1หบเป็นวันพระเป็นวันธรรมัสวนณะเป็นวันฟังธรรม เป็นวันที่ประเสริฐเพราะคำว่าพระแปลว่าประเสริฐแต่ความประเสริฐนี้ไม่ได้เป็นเพราะเป็นวันอาทิตย์หรือเป็นวันเสาร์หรือเป็นวันขึ้น15คห้าแรม15้าค่ำเพราะวันเวลานั้นไม่มีความประเสริฐในตัวของเขาเองวันเวลาก็เป็นวันเวลา มีมืดมีแจ้งวันหนึ่งก็มี24สิชั่วโมงวันเวลาไม่ได้ทำให้คนประเสริฐขึ้นมาได้สิ่งที่จะทำให้คนประเสริฐขึ้นมาได้คือการกระทำที่ดีการกระทำตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดังเช่นวันนี้ที่เราเรียกว่าเป็นวันพระวันประเสริฐก็เพราะว่าวันนี้มีการกระทำ ตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเริ่มต้นตแต่การบูชาพระรัตนตรยัยการถวายทานทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานการสมาทานและรักษาศีลการฟังเทศฟังธรรมการปฏิบัติธรรมเหล่านี้ต่างหากที่เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดความประเสริ ความเป็นพระขึ้นมาในใจของผู้ปฏิบัติได้ไม่ได้เกิดจากการที่มีวัดมีมีวันพระแล้วพอถึงวันพระก็จะทำให้เราดีขึ้นมาประเสริฐขึ้นมาได้ถ้าวันนี้เราไปทำบาปทำกรรมไปยิงนกตกปลาไปเสพสุรายาเมาต่อให้เป็นวันพระ ที่เลิศที่วิเศษวันสำคัญขนาดไหนก็ตามเช่นวันมาฆะวันวิสาขะวันเข้าพรรษาวันอาสาฬหะบูชาก็จะไม่ทาให้ผู้ที่ไปยิงนกตกปลาไปเสพสุรายาเมาประเสริฐหรือดีขึ้นมาได้แต่จะฉุดลากให้เขาเสื่อมต่ำลงไปเรื่อยๆตามการกระทาของเขา พรพุทธศาสนาจึงสอนมาที่การกระทำเป็นหลักหลักกรรมหลักกรรมกรรมแปลว่าการกระทำเมื่อทำแล้วก็มีวิบาก ค, คือผลของกรรมตามมาคําว่ากรรมนี้เป็นคํกากลางไม่ดีไม่ชั่วการกระทำนี้มีทั้งดีและชั่วและไม่ดีไม่ชั่วดีเราก็เรียกว่าบุญบ้างเรียกว่า กุศลบ้างไม่ดีแล้วก็เรียกว่าบาปบ้างเรียกว่ากรรมบ้างแต่คำว่ากรรมโดยลาพังนี้ไม่ได้หมายถึงว่าบาปแต่อย่างใดแต่ในทางการพูดของภาษาไทยเราจะมักพูดคำว่ากรรมนี้คู่กับเวนเวนกรรมก็เลยกลายเป็นคำว่าบาปไปแต่ความจริงแล้ว กรรมนี้มีทั้งบุญและบาปมีทั้งดีและไม่ดีอยู่ที่การกระทาของผู้กระทาแต่ละคนที่จะเลือกกระทาเอาได้จะเลือกทำดีก็ได้จะเลือกทำบาปก็ได้จะเลือกไม่ทำดีไม่ทำบาปก็ได้เมื่อทำแล้วผลนี้เป็นสิ่งที่เลือกไม่ได้ผลนี้เป็นสิ่งที่ตามมา เป็นสิ่งที่เป็นเหมือนกับเงาตามตัวเราไปห้ามเงาไม่ให้ตามตัวเราไม่ได้ฉัน้นใดเราก็ไปห้ามวิบากกรรมคือผลของการกระทำของเราไม่ให้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราทําดีเราจะไปห้ามความสุขความเจริญให้เกิดขึ้นก็ไม่ได้ถ้าเราทําบาปแล้วเราไปห้ามความทุกข์ความเสื่อมไม่ให้เกิดขึ้นก็ไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะผล คือความสุขหรือความทุกข์ความเจริญหรือความเสื่อมเป็นเหตุที่ตามมาจากการกระทําถ้าเราไม่อยากจะพบกับความเสื่อมพบกับความทุกข์เราก็อย่าไปสร้างเหตุอย่าไปทําเหตุที่ทําให้เกิดความเสื่อมเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็คือไม่ไปทําบาปทํากรรมนั่นเองเนี่ยถ้าเราอยากจะมีแต่ความสุข มีแต่ความเจริญเราก็ต้องทำดีทำบุญให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมเราถึงจะได้พบกับความสุขและความเจริญดังที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้พบกันท่านก็พบด้วยการปฏิบัติด้วยการกระทธรรมด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีล ด้วยการปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุปเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาไม่ได้อยู่ที่วันเวลาไม่ได้อยู่ที่สถานที่ไม่ได้อยู่ที่ชื่อเสียงเรงนามและไม่ได้อยู่ที่การนุ่งห่มผ้าสีต่างๆจะห่มสีเหลืองสีขาวสีเขียวสีแดงก็ไม่เป็นเหตุที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้า หรือเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาได้ น, นุ่งห่มเหลืองนุ่งห่มขาวแล้วก็ไม่ได้มีหลักประกันที่จะไม่ให้ไปตกนรกได้เช่นเดียวกันเพราะการโกนหัวก็ดีการใส่เสื้อผ้าสีต่างๆนี้เป็นเพียงรูปธปรรมเป็นเพียงเครื่องแบบเท่านั้นไม่ได้เป็นเหตุที่แท้จริงของความสุขความเจริญ ความทุกข์ของความเสื่อมความสุขความเจริญความทุกข์ความเสื่อมอยู่ที่การกระทำทางกายทางวาจาและทางใจทั้งนั้นที่จะเป็นผู้ที่จะส่งผลให้เกิดความสุขความทุกข์ความเจริญความเสื่อมดังนั้นเราจึงต้องมองมาที่ กรรมคือการกระทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำทางใจเพราะการกระทำทางใจเป็นต้นเหตุของการกระทำทางวาจาและทางกายต่อไปก่อนที่ใจก่อนที่จะพูดอะไรได้ก่อนที่จะทำอะไรทางกายได้ใจต้องสั่งการมาก่อนเช่นวันนี้ก่อนที่จะมาวัดมาทำบุญให้ทาน มาสมาทานศีลมาถวายทานได้ก็ต้องมีใจเป็นผู้สั่งการใจก็คือความคิดของเราความคิดนี้เป็นการกระทําของใจใจนี้เป็นผู้รู้ใจเป็นผู้มาครอบครองร่างกายเป็นผู้มามาเป็นเจ้าของร่างกายเหมือนกับเราเป็นเจ้าของรถยนต์เป็นเจ้าของบ้าน แต่ร่างกายนี้ไม่ใช่ใจร่างกายไม่ใช่เป็นตัวตนของใจร่างกายไม่ใช่เป็นของใจร่างกายก็เป็นของชั่วคราวเท่านั้นใจมาได้เป็นสมบัติแล้วก็นำเอาร่างกายนี้มาทำบุญทำบาปมาทำดีทำชั่วอยู่ที่ใจว่าเป็นใจที่ฉลาดหรือใจโง่ ถ้าใจโง่ก็จะไปทำบาปทำกรรมเสียส่วนใหญ่ถ้าใจฉลาดก็จะไปทำบุญทำความดีดังนั้นสิ่งที่เราต้องมีประการแรกก็คือความฉลาดความฉลาดในทางพุทธศาสนานี้หมายถึงความเห็นที่ถูกต้องคือรู้ว่าความสุขความเจริญความทุกข์ความเสื่อมนี้ เกิดจากการกระทําของใจของกายและของวาจานะและการกระทําบาปก็คือการไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นการเบียดเบียนผู้อื่นทําให้ผู้อื่นต้องทุกข์ต้องยากต้องลําบากอย่างนี้เรียกว่าเป็นการทําบาปการทําบุญก็คือการทําคุณทําประโยชน์ให้กับผู้อื่น ให้ผู้อยู่มีความสุขเรียกว่าเป็นการทำบุญนี่คือความฉลาดเบื้องต้นเราต้องรู้ก่อนว่าความสุขความเจริญความทุกข์ความเสื่อมนี้เกิดจากการกระทาของเราและการกระทาของเราก็มีทั้งสองอย่างมีทั้งดีและชั่วดีก็คือทำให้เกิดประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นชั่วหรือบาปก็คือ การกระทำให้เกิดโทษให้เกิดทุกข์แก่ผู้อื่นเรียกว่าเป็นการทำบาปนี่คือความชราดในทางพระพุทธศาสนาไม่จำเป็นต้องรู้มากเหมือนกับวิชาความรู้ทางโลกที่เรียนไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักจบมีหลายแขนงหลายวิชาเรียนไปทั้งชาติก็ไม่มีจบได้เรียนจบวิชานี้ก็มีวิชาอื่นให้เรียนอีก เช่นจบวิชาพยาบาลก็มีวิชาแพทย์จบวิชาแพทย์ก็มีวิชาเกษตรจบวิชากเกษตรก็มีวิชาการศึกษาอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ไม่มีที่จบสิน้นแต่ความรู้เหล่านี้ไม่ได้เป็นคุณเป็นประโยชน์ไม่ได้ทำให้มนุษย์เราฉลาดจริงมนุษย์เราจะฉลาดจริงต้องรู้เรื่องบากเรื่องบุญ รู้เรื่องกรรมเป็นหลักถ้ารู้เรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องกรรมเป็นหลักนี้ถือว่ามีความรู้พอตัวเอาตัวรอดได้เป็นที่พึ่งของตนเองได้แต่ความรู้ทางโลกต่อให้มีมากไม้ก่ายกองมีปริญญาเอกกี่ใบก็ตามก็จะเป็นความรู้แบบท่วมหัวเอาตัวไม่รอดคนที่มีความรู้ทางทางโลก ระดับเป็นอนยาเองก็ยังสามารถที่จะไปติดคุกติดตารางได้ต้องถูกเขาสั่งประหารชีวิตได้เพราะความรู้เหล่านี้ไม่ได้สอนให้เขาฉลาดไม่ได้สอนให้เขาดำเนินชีวิตเพื่อให้ไปสู่ความสุขและความเจริญนี่คือความฉลาดคือต้องมีสัมมาทิฏฐิ ความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงกรรมมีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีแล้วจะมีความสุขมีความเจริญทำชั่วแล้วจะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเสื่อมเสียตามมาขอให้รู้เพียงเท่านี้แล้วรู้แล้วต้องเชื่อด้วย คือต้องทำตามต้องปฏิบัติตามไม่ใช่รู้แล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติยังทำเหมือนเดิมอยู่คือยังทำบาปทำกรรมอยู่อย่างนี้เรียกว่ายังมีความเห็นที่ไม่ถูกต้องแล้วมีแล้วไม่นำเอามาใช้เหมือนกับมีของดีแต่ไม่เอามาใช้ไม่เอามากินเอาไปเก็บไว้เฉยเฉยก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเมื่อเรามีความรู้ความฉลาดแล้ว เราก็ต้องให้ความรู้ความฉลาดนี้เป็นผู้สั่งการเป็นผู้ควบคุมความคิดของใจเวลาใจคิดจะทำอะไรต้องมีความฉลาดนี้มาคอยประครับประคอง mm hmm. เช่นถ้าคิดว่าวันนี้จะไปไปยิงนกตกปลาไปเล่นการพรนันไปเสพสุรายาเมาถ้ามีความคิดอย่างนี้ก็ต้อง มีความฉลาดมาคอยหักห้ามาสกัดว่าเป็นการกระทำที่ไม่ดีเป็นการกระทำที่ไม่เจริญไม่สุขถ้าไม่มีความฉลาดคอยสอนคอยเฝ้าดูแลใจพอคิดอยากจะทำบาปคิดอยากจะยิงนกตกปลาเสพสุรายาเมาก็จะไปทำโดยคิดว่าทำแล้วจะมีความสุข ไม่มีใครคิดอยากจะทำอะไรที่จะทำให้ตนเองมีความทุกข์หรอกทุกคนทำอะไรก็คิดว่าทำแล้วจะดีทำแล้วจะมีความสุขคนเล่นการพนันเขาก็คิดว่าทำแล้วจะทำให้เขาร่ำรวยทำให้เขาเจริญเขาถึงเล่นการพนันคนที่เสพสุรายาเมาก็คิดว่าเสพสุรายาเมาแล้วจะทำให้เขามีความสุขทำให้ดับความทุกข์ความไม่สบายใจได้ เขาจึงเสพสุรายามเมากันแต่เขาไม่เคยดูที่ผลที่ตามมาว่ามันทำให้เขาสุขจริงหรือไม่ทำให้เขาเจริญขึ้นหรือไม่เขาไม่คิดเพราะเขาไม่มีปัญญานั่นเองไม่ไม่รู้จักคิดถ้ารู้จักคิดถ้ามีปัญญามีความเจริญอยู่ในใจแล้วจะต้องคิดถึงผลที่ตามมาเสมอจากการกระทาต่างๆของเรา ทำไปแล้วทําให้ชีวิตเราดีขึ้นสบายขึ้นเจริญขึ้นหรือทำให้เราทุกข์มากขึ้นวุ่นวายมากขึ้นเดือดร้อนมากขึ้นนี่ต้องพิจารณาด้วยปัญญาเมื่อเรามีปัญญาคอยประคับประคองใจแล้วเวลาใจจะคิดอะไรเราจะได้รู้จักแยกแยะถ้าเป็นความคิดที่ดีเราก็ปล่อยออกไปเช่นคิดว่าจะมาทาบุญมาตักบาตรมารักษาศีล มาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศฟังธรรมนี่เป็นการคิดที่ดีเพราะคิดแล้วจะนําไปสู่การกระทําที่ดีสู่ความสุขและความเจริญถ้าเป็นความคิดอย่างนี้เราก็เปิดไฟเขียวให้ไปได้เลยไม่ต้องอย่าไปเปิดไฟแดงบางทีคิดดีแล้วกับไม่ทํากันก็มีเช่นคิดว่าวันนี้วันพระจะมาวัดสัหน่อย แต่ก็ไม่อยากจะตื่นเช้าเพราะเมื่อคืนนี้อยากอยากจะออกไปเที่ยวต้องนอนดึกต้องดูหนังดูละครดึกเลยไม่อยากจะตื่นเช้าเพราะตื่นเช้าแล้วไม่ไม่มีกำลังนอนไม่พอก็เลยไม่ได้มาทาบุญนี่คือมีความคิดที่ดีแต่ไม่ได้ทำมีคนอยู่มากเขามักจะพูดอย่างนี้เสมอว่า คิดมาวัดต้องนานแล้วแต่ไม่ได้มาสักทีนี่แสดงว่าเขามีปัญญาแต่เขาไม่เชื่อในปัญญาของเขาเขารู้ว่าการกระทําบุญการมาวัดนี้เป็นการกระทําที่ดีแต่เขาไม่ทําตามถ้าไม่ทําตามแล้วต่อให้คิดดีขนาดไหนก็ไม่เกิดประโยชน์อย่างไร เพราะประโยชน์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการกระทำขึ้นมาเช่นเราอยากจะทำบุญให้ทานเราคิดอย่างนี้แล้วแล้วเราไม่ทำเราก็ไม่ได้ประโยชน์จากการกระทาถ้าเราคิดแล้วเราต้องทำเราต้องเอาเงินของเราไปซื้อข้าวของเอาไปบริจาคเอาไปช่วยเหลือผู้อื่น เมื่อเราทำแล้วเราถึงจะได้ความรู้สึกที่ดีเกิดขึ้นมาภายในใจคือความสุขใจบุญนี้แปลว่าความสุขใจถ้าทำแล้วเกิดความสุขใจก็แสดงว่าเป็นบุญเป็นกุศลแต่ถ้าทำแล้วยังไม่สุขใจก็แสดงว่ายังทำไม่ถูกเพราะบางทีเราไม่เข้าใจการทำบุญให้ทานนี้ทำอย่างไรถึงจะเป็นการ ถึงจะเป็นบุญจริงๆเพราะบางทีเราทําแล้วเราก็หวังผลตอบแทนจากการกระทําของเราทําแล้วอยากจะให้เขาขอบอกขอบใจเราทําแล้วอยากจะให้เขาสํานึกในบุญคุณของเราถ้าเกิดเขาไม่ขอบอกขอบใจเขาไม่สํานึกในบุญในคุณของเราเราก็จะเสียใจแทนที่จะได้บุญเรากลับไม่ได้บุญ การที่จะทำบุญให้เป็นบุญจริงๆต้องทำโดยที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อแม้ไม่มีความต้องการผลตอบแทนจากผู้รับให้ไปแล้วก็ให้ไปเลยเขาจะไปทำอะไรอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาเราให้เพราะเราเห็นว่าเขาเดือดร้อนหรือว่าเราให้เพราะเราอยากจะให้เขา มีความสุขมากขึ้นเมื่อเขารับไปแล้วเราก็มีความสุขแล้วพอใจแล้วอย่าตามไปดูว่าเขาเอาไปใช้หรือเปล่าเขาเอาไปกินหรือเปล่าหรือเขาเอาไปทาตามที่เขาบอกหรือเปล่าและที่เราบอกเขาหรือเปล่า <Yeah. S 1> ถ้าเราไปคิดอย่างนี้ใจของเราก็จะมีความกังวลมีความไม่แน่ใจ เมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะไม่มีความสุขใจดังนั้นเวลาเราอยากจะทำอะไรให้อะไรกับใครขอให้เราคิดให้ดีเสียก่อนเมื่อเราคิดดีแล้วเราก็ทำไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับคนที่เราให้ว่าเขาจะไปทำอะไรอย่างไรเพราะว่าเราได้สิ่งที่เราต้องการก็คือบุญต้องการความสุขใจนี้เท่านั้น แต่ถ้าเราไปห่วงไปกังวลบุญคือความสุขใจนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นมาดังนั้นเวลาให้ขอให้ด้วยด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์คือไม่คิดอะไรเกี่ยวกับผู้รับไม่มีเงื่อนไขแต่อย่างใดหรือถ้ามีเงื่อนไขก็ต้องตกลงกับผู้รับก่อนว่าเขาจะรับเงื่อนไขนี้ได้หรือไม่ เช่นให้เงินนี้ไปซื้อของอย่างใดอย่างหนึ่งเขาจะรับปากได้หรือไม่เช่นเราเห็นเขาเดือดร้อนไม่มีอาหารเราก็จะให้เงินนี้เพื่อให้เขาไปซื้ออาหารมารับประทานเราก็ถามเขาว่าเอาเงินไปซื้ออาหารมารับประทานตกลงไหมถ้าเขาเป็นคนมีศีลมีสัตว์เขาก็จะถ้าเขาต้องการอาหารเขาก็จะตกลง แล้วเขาก็จะไปซื้ออาหารนั้นแต่ถ้าเขาเป็นคนไม่มีศีลไม่มีสัตว์เขาอยากจะดื่มสุรามากกว่ามากกว่าจะรับประทานอาหารถ้าเราให้เงินเขาไปซื้ออาหารเขาก็จะไปซื้อสุราแทนถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเรารู้เราก็อย่าให้เงินเขาเราอยากจะให้ก็มีอาหารแล้วก็ซื้ออาหารให้เขาเลยอย่าให้เป็นเงิน แล้วเราจะได้สบายใจหรือว่าถ้าเราให้เงินเขาไปแล้วเราก็ไม่ไปคิดกังวลว่าเขาจะไปทำอะไรอยู่ที่ตัวเขาถ้าเขาฉลาดเขาเอาเงินไปทำประโยชน์ก็ดีกับตัวเขาถ้าเขาโง่เขาเอาไปทำโทษกับตัวเขาเองก็เป็นเรื่องของเขาเราต้องคิดอย่างนี้เราถึงจะได้บุญจริงๆเราถึงจะได้ความสบายใจถ้าไม่เช่นั้นแล้วเราก็จะ มากังวลมาวุ่นวายกับสิ่งที่เราให้เขาไปแทนที่จะมีความสุขมีความสบายใจกับมีความกังวลใจตามมานี่คือการกระทำความดีเริ่มต้นที่การคิดก่อนคิดแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิมีปัญญามาแยกแยะความคิดว่าเป็นความคิดที่ดีหรือเป็นความคิดที่ไม่ดี ถ้าเป็นความคิดที่ไม่ดีก็เปิดไฟแดงให้ระ ง, งับการกระทำนั้นเสียถ้าเป็นการกระทำเป็นความคิดที่ดีก็เปิดไฟเขียวปล่อยให้ออกไปพูดได้ทำได้เลยเมื่อพูดแล้วทำแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาในใจเราเป็นอันดับแรกใจของเราก็จะดีขึ้นสูงขึ้นมีความเมตตามากขึ้นมีความกรุณามากขึ้น มีความสุขมากขึ้นแล้วก็จะสะสมไปเพื่อที่จะให้เราได้ไปเกิดในที่ดีต่อไปไ้เกิดชาติต่อไปเราก็จะได้สิ่งที่ดีที่งามกลับมาหาเราไปเกิดก็จะมีฐานะดีกว่าเดิมแล้วถ้าเรานอกจากการให้ทานแล้วเรารักษาศีลด้วย mm. ก็ยิ่งดีใหญ่ เพราะการรักษาศีลนี้ทำให้เรามีความสุขทำให้เราสบายใจไม่วุ่นวายใจทำให้เราเป็นคนดีน่านับถือการที่ญาติโยมกราบพระไหว้พระก็เพราะว่าท่านมีศีล น, นี่เองถ้าท่านไม่มีศีลเราก็ไม่อยากจะไหว้พระถ้าเรารู้ว่าพระองค์ไหนทุตศีลไม่มีศีลก็ไม่เราก็ไม่มีศรัทธา ไม่มีจิตกระจายที่อยากจะกราบอยากจะไหว้ท่าน <c oughs> นะเพราะว่าคนเราดีหรือชั่วหน้าไหว้หน้ากราบไหว้บูชาหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่รูปร่างหน้าตาไม่ได้อยู่ที่การห่มผ้าไม่ได้อยู่ที่การโกนศีโกนหัวหรือไม่อยู่ที่การมีศีลหรือไม่มีศีลแม้แต่เป็นาราวาดถ้ามีศีล ก็เป็นคนที่น่านับถือน่าเคารพเลื่อมใสน่าไหว้หน่ากราบเช่นเดียวกันแ น, ะน่นอกจากการที่ทำให้เราเป็นคนดีเป็นคนที่น่าเคารพน่ากราบไหว้แล้วยังเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เราได้ไปเกิดในสุคติหลังจากที่เราตายไปแล้วภพชาตินี้จะสูงจะต่ำอยู่ที่ศีลเป็นหลัก ศีลนี้เป็นเหมือนกำแพงที่แบ่งเขตระหว่างสุคติกตับทุคติสุคติก็คือพบของมนุษย์ของเทพของพรหมของพระอริยเจ้าทั้งหลายส่วนทุคติหรืออบายก็เป็นที่อยู่ของเดรัจฉานของเปรตของอสุรกายของสัตว์นรกนี่คือที่ ที่แยกแยกที่กั้นระหว่างพบชาติทั้งสองชนิดนี้ให้อยู่แยกกันอยู่ที่ศีล น, นี้เป็นหลักถ้ารักษาศีลได้มากก็มีโอกาสได้ไปสุขติมากถ้ารักษาศีลได้น้อยก็ไปไปอบายได้ง่ายไปไปไปสู่สุขติได้ยากอยู่ที่ศีล น, นี้เป็นหลัก การทำบุญให้ทานนี้ไม่ได้เป็นตัวที่จะที่จะนาไปสู่สุคติหรือไปสู่ทุกคติคนที่ทำบุญให้ทานแล้วทำผิดศีลก็ยังไปเกิดเป็นเดรัจฉานได้ไปตกนรกได้แต่ถ้าคนที่ไม่ทำบุญเลยไม่ให้ทานเลยแล้วผิดศีลด้วยเวลาไปเกิดก็จะต่างกับคนที่ทำบุญให้ทานและผิดศีล คือถ้าไปเกิดเป็นเดรัจฉานก็จะต่างกันตรงที่ว่าคนที่ทำบุญให้ทานก็จะมีรูปร่างหน้าตาสวยงามจะไม่ไม่ไม่ไมอดอยากขาดแคลนเช่นไปเกิดเป็นสุนัขที่มีรูปร่างหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูก็จะมีคนเอาไปเลี้ยงถ้าไม่ได้ทำบุญให้ทานก็จะไปเกิดเป็นสุนัข ที่เลือนอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่มีใครเอาไปเลี้ยงมีแต่จะเอาไปปล่อยวัดให้ไปอยู่ตามยถากรรมนี่คือความต่างกันระหว่างผู้ที่ได้ทำบุญให้ทานและไม่ได้ทำบุญให้ทานแต่ไม่ได้รักษาศีลด้วยกันทั้งคู่ก็จะต้องไปเกิดในอบายส่วนใดส่วนหนึ่งไปเป็นเวราชฉานหรือไปตกนรกแต่ถ้ารักษาศีนได้และทาบุญให้ทานด้วย ก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กนะ็จะเป็นมนุษย์ที่มีฐานะดีกว่าเดิมมีรูปร่างหน้าตาสวยงามกว่าเดิมมีฐานะการเงินการทองดีกว่าเดิมเมื่อก่อนนี้ชาตินี้เรารวยขนาดนี้ชาติหน้าเรากลับมาเกิดใหม่เราจะรวยมากกว่าเก่าอีกหลายเท่าเพราะว่าเราได้ทำบุญให้ทานและรักษาสียงควบคู่กันไปนะ ดังนั้นนอกจากการทําบุญให้ทานแล้วเรายังต้องรักษาศีลด้วยถ้าเราต้องการได้ผลที่ดีที่จะตามมาต่อไปในอนาคตคือในชาติหน้าที่จะตามมาแต่นี้ก็ยังเป็นเพียงระดับต่ําๆยังมีพบชาติที่สูงกว่านี้ที่ดีกว่านี้อีกคือได้ไปสวรรค์ชั้นพรม หรือได้เป็นพระอริยเจ้าขั้นต่างๆถ้าเราอยากจะไปถึงขั้นนั้นสูงสูงขั้นนั้นเราก็ต้องบำเพ็ญเราต้องบาเพ็ญจิตตภาวนาคือปฏิบัติธรรมนอกจากทำบุญให้ทานรักษาศีลแล้วเรายังต้องภาวนาถ้าอยากจะไปสวรรค์ชั้นผงเราก็ต้องรักษาศีลแปด แทนที่จะรักษาศีลห้าก็ต้องเพิ่มเป็นศีลแปศีลข้อที่สคือการเมก็จะต้องเป็นเป็นอบรมมจริยาคือแทนที่จะละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีเราก็จะต้องอละเว้นจ า, จากการมีเพศสัมพันธ์เรียกว่าอ布拉มมัจริยาต้องมีศีลปรมจะมว์ คือไม่หลับนอนกับใครทั้งสิ้นไม่หาความสุขจากการหลับนอนกับคู่ครองเรียกว่าเป็นศีลของของนักบวชของศีลของของนักปฏิบัติธรรมศีลของผู้ที่ปรารถนาที่จะเจริญจิตภาวนาเพื่อให้จิตใจได้สูงขึ้นคือจาก แทนที่จะเป็นสวรรค์ชั้นเทพก็ให้ไปสู่สวรรค์ชั้นพรมหรือถ้าอยากจะไปสูงกว่านั้นอยากจะเป็นเป็นพระอริยเจ้านอกจากรักษาศีลแบทหรือศีลหรือศีลสองยีบแล้วก็ยังต้องเจริญวิปัสสนาเจริญปัญญาต้องภาวนาทำจิตใจให้สงบแล้วก็เจริญปัญญาพิจารณา ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราถ้าเราเห็นทุกสิ่ง ท, ทุกอย่างในโลกนี้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราก็จะไม่ยินดีไม่อยากจะได้มาเป็นสมบัติเพราะว่าถ้าเรายังไม่เห็นเราก็จะเห็นว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีคนนั้นดีคนนี่ดีจะคิดว่าเขาจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆ คิดว่าเขาจะให้ความสุขกับเราไปตลอดคิดว่าเขาเป็นของเราแต่พอวันหนึ่งเขาจากเราไปเราก็ต้องมาเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้เพราะเราไม่ได้เจริญปัญญานั่นเองเราไม่ได้เจริญวิปัสนาพิจารณาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเกิดมีการดับเป็นธรรมดาไม่ได้ให้ความสุขกับเรา นีแต่จะให้ความทุกข์กับเราไม่ใช่เป็นของเราสักวันหนึ่งก็ต้องจากเราไปถ้าเราจเจริญปัญญาได้อย่างนี้เราก็จะได้ยกระดับจิตของเราขึ้นสู่ขั้นพระอริยะจากปุตุชนให้กลายเป็นพระอริยะเป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาก็เกิดกิจักการที่เราทําวันพระนี้ให้เป็นวันพระจริงๆด้วยการปฏิบัติ ตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการมาวัดมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศน์ฟังธรรมวันพระจึงปถือว่าเป็นวันที่จะแปลงหรือจะเปลี่ยนคนธรรมดาปุถุชนธรรมดาให้เป็นพระขึ้นมาให้เป็นพระอริยะขึ้นมา เพราะการกระทำการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเหตุที่จะทําให้เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศอยู่กับวัยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นคารวะหรือเป็นบนรรปชิตแต่ขึ้นอยู่กับการกระทําที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้กระทำเท่านั้นดังนั้นจึงขอให้เราจงพยายามปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ให้มากให้ได้เรื่อยๆถึงแม้ไม่ใช่เป็นวันพระเราก็ยังสามารถปฏิบัติได้สามารถทำให้ทุกวันเป็นวันพระได้เพราะว่าวันพระที่แท้จริงอยู่ที่การกระทําของเราไม่ได้อยู่ที่วันขึ้นแรม15คหาคำแต่อย่างใดอยู่ที่การกระทําเป็นหลักแต่เนื่องจากพวกเรามีภารกิจทางโลกมาก จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่พระพุทธเจ้าต้องกำหนดหวันพระขึ้นมาถ้าไม่กำหนดพวกเราก็จะไม่ปฏิบัติกันเลยพวกเราก็จะไม่มีโอกาสได้เป็นพระกันเลยจะไม่มีโอกาสได้พบกับความสุขและความเจริญที่แท้จริงกันเลยจึงต้องกำหนดหวันพระขึ้นมาอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งไว้เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อให้เรานาเอาไปปฏิบัติแล้วขยายต่อไป จากอาทิตย์ละวันก็เป็นอาทิตย์ละสามวันจากอาทิตย์ละสามวันก็เป็นอาทิตย์ละห้าวันเจ็ดวันไปจนเป็นวันพระทุกๆุกวันเลยถ้าเราสามารถปฏิบัติอย่างนี้ได้แล้วเราไม่ต้องออกบวชก็ได้เราก็สามารถเป็นพระอริยะบุคคลได้เช่นเดียวกันเช่นเดียวกับบุคคลในสมัยพุทธกาลที่เป็นคารวะที่เป็นพระอริยะบุคคลเป็นจํานวนมากเขาไม่ต้องออกบวชกัน เพราะเขายังมีภาระที่เขายังต้องอยู่ในทางโลกอยู่แต่เขาก็สามารถทําให้ตัวเขานั้นเป็นพระอริยะเจ้าขึ้นมาได้เช่นเดียวกันไม่ได้อยู่ที่การบวชโดยถ่ายเดียวเพียงแต่ว่าถ้าได้บวชก็จะทําให้เป็นได้เร็วขึ้นเป็นได้มากขึ้นเท่านั้นเองดังนั้นจึงขอให้เรายึดหลักกรรมคือการกระทำไว้เป็นหลัก ขอให้เราทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วเราจะได้เป็นคนดีเป็นพระเป็นผู้คนที่น่าเคาเรพเลื่อมใสเป็นคนที่มีความสุขและความเจริญอย่างแท้จริงจึงขอฝากเรื่องของการมาบําเพ็ญในวันพระนี้ให้ท่านได้นำไปพิ จ, พจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป